ตลท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุณสนทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปตามลำดับและให้หมดสิ่งไปพร้อมความสุขความทุกขที่แท้จริงของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ซีสิ่งอืงน่นใด ใจอยู่ที่ใจของเราว่าสะอาดหรือไม่สะอาดถ้าใจเราไม่สะอาดมีความโลภความโกรธความหลงก็จะสร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตใจของเราถ้าเราชำระกะิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปความรุ่มร้อนความทุก ก็จะน้อยลงไปความเย็นความสุขก็จะมีมากขึ้นไปจนมีอย่างเต็มที่ตลอดเวลา24ชั่วโมง อ, อย่างใจของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวุกทั้งหลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธ ค, ความหลง ปราศจากความรุ่มร้อนปราศจากความวุ่นวายปราศจากความทุกข์ต่างๆมีแต่ความสุขความเยน็นความอิ่มความพออยู่ตลอดเวลานี่แหละคืองานของพวกเรา ห, รหน้าที่ของพวกเราการที่เราชำนะใจของเราให้สะอาดบริสท์แล้ว ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเหมือนคนตายบางท่านอาจจะคิดว่าชีวิตของเราต้องมีความโลภมีความโกรธมีความหลงถึงจะได้สิ่งต่างๆที่ปรารถนาแต่เราไม่คิดถึงผลพลอยได้ที่ติดมากับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือความทุกข์ต่างๆแม้ว่าเราจะได้อะไรมามากหรือ น, อน้อย สิ่งที่เราได้มานั้นจะต้องให้ความทุกข์กับเราด้วยเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นีเขามีความไม่เที่ยมแท้แน่นอนเขาจะอยู่กับเราไปนาน หรือไม่นานเราก็ไม่รู้เขาจะดีกับเราไปตลอดเวลาหรือไม่ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ mm. เมื่อเรามีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ต้องเกิดความ ใจขึ้นมาเกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาดังนั้นป่าทั้งหลายจึงอยู่ห่างพยายามอยู่ห่างจากสิ่งต่างๆคือพยายามตัดความโลภตัดความอยากในสิ่งต่างๆทั้งหลายให้หมดไปการที่ไม่มีสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ไม่ได้ เราจะเป็นเหมือนคนตายไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราจะเป็นคนที่มีความสุขเรายังทำสิ่งต่างๆได้เรายังสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในทางโลกได้ไม่ว่าจะเป็นทางราบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายแต่เราอย่าทำด้วยความโลภเท่านั้นเอง ทำตามหน้าที่ของเราพวกเราทุกคนเกิดมามีหน้าที่ต้องดูแลชีวิตของเราต้องรักษาชีวิตของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตการทําหน้าที itt, ่ด ah ูแลรักษาชีวิตเช่นการทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตนี้ ไม่ถือว่าเป็นความโลภแต่อย่างใดขอให้เราทำไปตามกำลังของเราเราได้มากได้น้อยก็ขอให้เราพอใจกับผลที่เราได้รับทนั้นทำไปตามหน้าที่เรามีหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเราต้องหารายได้เพื่อที่เราจะได้นำมาซื้อของที่จําเป็นต่อการดำรงชีพ เช่นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นการที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้มานี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภแต่เป็นความจําเป็นเป็นหน้าที่ตราบใดที่เราหามาเท่าที่จําเป็นคือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ถ้าน้อยเกินไปก็ถือว่าเป็นการสร้างความทุกข์ยากลำบากให้แก่ชีวิตของตนโดยไม่จำเป็นถ้ามากเกินไปก็จะสร้างภาระให้แก่ใจที่จะต้องเสียเวลากับการหาสิ่งที่ไม่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจแล้วยิ่งถ้าไปแสวงหาสิ่งที่ไม่จำเป็น ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของฟุ่มเฟือยก็ดีไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องหนีไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องเสกเช่นสุรายาเมาหรือการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเหล่านี้เรียกว่า สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่เราเรียกว่าเป็นความโลภถ้าเราอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเช่นต้องดื่นน้ำที่มีรสชาติมีสีสันหรือซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพของเรา สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาสร้างความสุขให้กับใจของเราแต่กลับจะทำให้ใจของเรานั้นวุ่นวายต้องพยายามตะเกียบตะกายแสวงหาต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาความสุขที่ได้มานั้นไม่มากเท่ากับความทุกข์ ที่เกิดจากการสศกหากก็ดีหรือเกิดจากการดูแลรักษาเกิดจากความหวงแหงความหวงใหญ่และเกิดจากความสูญเสียความทุกข์แบบนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับใจของเราได้ถ้าเรารู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนให้เราใช้คุณธรรมสองประการที่สำคัญคือความมากน้อยและสันโดษความยินดีตามอัตภาพยินดีตามมีตามเกิดคือให้เราสแสวงหาสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นคำว่ามากน้อยนี้ไม่ได้หมายคำว่าน้อยจนแรนแค้นจนอยู่ไม่ได้ แต่น้อยหมายถึงตามความจําเป็นตามความต้องการของชีวิตของร่างกายเช่นทุกคนต้องมีบ้านอยู่อาศัยมีเสื้อผ้าไว้ใส่มียารักษาโรคมีอาหารไว้รับประทานแต่สิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีราคาแพงๆจนทําให้เราต้องลําบากทุกลําบาก กับการแสวงหาบ้านก็พอให้มีหลบแดดหลบฝนได้ก็พอเครื่องนุ่งห่มก็มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายป้องกัน ร, รักร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากการสัมผัสอากาศนาร้อนหรือฝนฟ้าต่างๆมีไว้เพื่อป้องกัน ร, รักษาชีวิตของเราให้อยู่ได้เท่านั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคามากๆ ม, มีความสวยงามมีความพิสดารขอให้มันเป็นทาหน้าที่ที่ที่สำหรับดูแลชีวิตของเราได้ก็พอแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเรียกว่าไม่โลภและจะไม่สร้างความทุกข์ใจให้แก่ใจ อย่างพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้อยู่อย่างเรียบงา่ายให้อยู่ตามอัตภาพตามฐานะของตนเป็นนักบวชท่านไม่สอนไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้านไม่ให้ไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้แต่อาหารเช่นการเดินบิณทบาทนี้ก็ไม่ได้เป็นการขอเป็นการไปโปรดสัตว์ไปเปิดโอกาสให้ผู้ที่ อยากจะสร้างความสุขให้แก่ใจของตนได้มีโอกาสได้สร้างด้วยการใส่บาเป็นการให้ทานการให้ทานนี้จะทำให้ผู้ให้นั้นมีความสุขใจมีความอิ่มใจเหมือกับการได้รับประทานอาหารเวลารับประทานอาหารแล้วก็จะเกิดความอิ่มกายสุขกายขึ้นมา ฉันได้เวลาเราให้ทานแก่ผู้อื่นใจของเราก็จะมีความสุดใจอิ่มใจเวลาพระ น, นินทิฏวินตาบานนี้จะไม่พูดขออะไรจากใครเท่านั้นเดินไปตามระแวะกบ้านเดินไปแล้วแต่ศรัทธามีใครอยากจะใส่ก็ใส่ไม่มีใครอยากจะใส่ก็ไม่ว่าอะไรนี่คือการ แสวงหาอาหารโดยวิธีที่ไม่โลภไม่สร้างความโลภคือยินดีตามมีตามเกิดอย่างญาติโยมก็ทามาหากินมีรายได้มากน้อยก็พอใจกับรายได้ของเรามีงานอะไรที่เราทำได้สามารถสร้างรายได้ให้กับเราเราก็ทำไปตามสติปัญญาของเรา ตามฐานะของเราซึ่งเราแต่ละคนนั้นก็มีสติปัญญาตาต่างกันคนที่มีสติปัญญามากก็จะสามารถหามาได้มากคนที่มีสติปัญญาน้อยก็หามาได้น้อยแต่จะมากหรือจะน้อยก็พอเพียงต่อการดำรงชีพของตนเพราะว่าถ้าไม่พอเพียง อย่างมากก็ตายเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามจะมีมากหรือมีน้อยหามาได้มากหามาได้น้อยก็ต้องตายเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องการทำมาหากินของเราเราทําไปตามหน้าที่ของเราตามกําลังของสติปัญญาของเรา เราได้มากเราได้น้อยเราก็ใช้เราก็กินไปตามที่เราได้มาถ้าเราทําอย่างนี้ได้ใจของเราจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราทําใจไม่ได้เวลาเราเห็นคนอื่นเขากินอยู่ดีกับเรามีอะไรมากกับเราเราก็เกิดความโลภขึ้นมา แล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะจะทำให้เรามีความรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจมีความรู้สึกรู้สึกมีความด้อยมีภูมิมีปมด้อยไม่มีความภูมิใจในตนเองแต่ถ้าเรายึดตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เรามากน้อยสันโดษให้เราหาเท่าที่เราจะหาได้ใช้เท่าที่เรามีแล้วก็พอใจกับสถานาภาพของเราขอให้เราคิดว่าเรามีบุญมีกรรมมาอย่างนี้เราทำบุญทำกรรมมาอย่างนี้เราจึงต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้คนอื่นเขาสูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเรา เขาก็เป็นผลของบุญของกรรมเช่นเดียวกันคนที่เขาสูงกว่าเราสบายกว่าเรามีมากกว่าเราก็เพราะเขาได้ทำบุญมามากกว่าเราคนที่เขาแย่กว่าเราต่ำกว่าเราด้อยกว่าเราก็เป็นเพราะว่าเขาทำบาปทากรรมมามากกว่าเราทำบุญมาน้อยกว่าเรา ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็ขอให้เรามาทำบุญให้มากขึ้นทำกรรมให้น้อยลงเพราะนี่คือต้นเหตุที่แท้จริงของสถานภาพของชีวิตของพวกเราทุกคนที่มีไม่เหมือนกันเพราะเราทำบุญทำบาปมาไม่เหมือนกันนั่นเองแต่ผล ที่เราทำนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่วันนี้เท่านั้นเองเช่นเราทำบุญวันนี้ทำบาปวันนี้ผลที่จะเกิดขึ้นนี้ยังไม่ใช่จะเกิดขึ้นทันทีอาจจะต้องหลายปีหลายเดือนหรือหลายพบหลายชาติหรือพ้นหน้าชาติหน้าเพราะว่าในขณะนี้เรากำลังใช้บุญใช้บาปของเราที่เราทำมา ในอดีตนั่นเองถ้าเปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ผ ล, ลไม้ที่เราได้ในวันนี้นั้นเป็นผลที่เกิดจากการที่เราปลูกต้นไม้ไว้ในอดีตในระยะเวลาหลายเดือนหลายปีมาก่อนส่วนผ ล, ลไม้หรือต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้นั้นเขายังไม่ออกดอกออกผลให้กับเราเพราะเขายังต้องใช้เวลาจเจริญเติบโต จนกว่าจะเติบโตได้เต็มที่แล้วเขาจึงจะสามารถที่จะออกดอกออกผลให้กับเราได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ขอให้เราใช้ความเข้าใจอันนี้ว่าถึงแม้เราจะทำบุญวันนี้แต่ชีวิตของเราอาจจะไม่รุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใด ก็ได้เพราะว่าอาจจะมีผลบาปที่กำลังส่งผลให้กับเราอยู่ในปัจจุบันและในทางตรงกันข้ามถึงแม้เราได้ทำบาปในวันนี้แต่เรากลับได้รับผลที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นผลที่เกิดจากการทาบาปในวันนี้แต่เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญในอดีตทาให้ส่งให้เรา ได้รับผลดีในวันนี้เราต้องรู้จักแยกแยะเหตุกับผลอย่าไปจัดแพะชนแกะเนื้ออ l p ฟ a ของหม้อที่ไม่ได้ขนาดมาใส่กันแล้วจะทำให้เราเกิดความสับสนจะทำให้เราเกิดความท้อแท้ในเวลาที่เราทำบุญทำความดีแล้วเราไม่ได้รับผลดีและจะทำให้เราหลงผิด เวลาที่เราทำบาปแล้วเราได้รับผลดีเพราะเราไปจับแพะฉวนแกะกันนั่นเองเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าการทำบาปนี้มีแต่จะนำความทุกข์ความเสื่อมมาให้ส่วนการทำบุญนี้จะนำแต่ความสุขและความเจริญมาให้อย่างน้อยสิ่งที่เราสามารถ เห็นได้ทันทีในปัจจุบันก็คือความรู้สึกภายในใจของเราเวลาเราทำความดีใจของเราจะมีความสุขอย่างวันนี้ญาติโยมมาทำความดีกันมาทำบุญให้ทานกันญาติโยมก็จะมีความรู้สึกที่ดีถ้าญาติโยมไปทำบาปไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ญาณโยมก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาภายในใจจะเกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจขึ้นมานี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปทำบุญที่เราสามารถเห็นได้ในปัจจุบันเลยแต่ผลอย่างอื่นเช่นการเจริญทางได้ลาบยศสารสนสุขหรือความเสือ่อมนั้นมัน ต้องรอเวลาเราทำความดีอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะมีคนเข้าเห็นความดีของเราเช่นพระภิกษุเวลาบวชใหม่ท่านก็รักษาศีลท่านก็ศึกษาปฏิบัติธรรมแต่ท่านก็ยังไม่มีคนที่จะศรัทธาเหมือนกับพระที่บวชมาส0ปี4ี่สปีเพราะว่าคนเขา เริ่มมีความมั่นใจมากกว่าคนที่เพิ่งบวชใหม่เพราะเขาเห็นในอดีตหรือมีตัวอย่างให้เห็นว่าพวกที่บวชใหม่นี้ยังไม่แน่นอนเหมือนกับพวกที่บวชมานานแล้วพวกเราจึงมักจะมีศรัทธาในพระที่บวชปานาพระเทเรนทั้งหลายเพราะท่านได้เป็นถ้าได้พิสูจน์ตัวของท่านแล้ว ดังที่มีสุภาสิทธิ์ที่พูดไว้ว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเะวทคนเราต้องทำดีไปมากๆทำไปนานๆนแล้วต่อไปคนอื่นเขาก็จะมีศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าเป็นของแท้เป็นของจริงไม่ใช่เป็นของปลอมนะนี่คือ เรื่องของการทำบุญหรือทำบาปผลที่เกิดจากการทำบุญทำบาปนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะปรากฏให้เห็นขึ้นมาดังนั้นขอให้เราอย่าท้อแท้ต่อการทำความดีต่อการทำบุญต่อการอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบนักน้อยสัดูขอให้เชื่อเถิดว่า ความมักน้อยสันโดษนี้จะนํามาซึ่งความล่มเย็ยนเป็นสุขให้แก่ชีวิตส่วนความโลภมากนี้จะนํามาซึ่งความหายนะมาความทุกข์ต่างๆเพราะคนเวลาเกิดความโลภแล้วมักจะต้องไปทําในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปเวลาอยากจะได้อะไรมากๆถ้าไม่ได้มาด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมาถูกกฎหมายถูกกฎถูกระเบียบถูกศีลถูกธรรมก็จะไปทำผิดกฎหมายทำผิดกฎระเบียบทำผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องต้องไปรับกรรมของการทำผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบผิดศีลผิดธรรม ผิดกฎระเบียบก็อาจจะถูกขับไล่ออกจากบริษัทที่ทํางานเช่นทํางานแล้วก็เอาเวลาทํางานไปทํากิจกรรมส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นไม่นานเขาก็จะจับได้เขาก็จะรู้เจ้าของบริษัทเมื่อเขารู้เขาก็จะต้องไล่เราออกจากงานไปหรือถ้าไปทําผิดกฎหมายไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ กลับไปดำเนินคดีถ้าทำผิดศีลปิดธรรมตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายต้องไปใช้กรรมในอบายนี่เป็นสิ่งที่จะตามมาถ้าเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความโลภภายในใจของเราได้นถ้าเรายับยั้งไม่ได้มันก็จะทำให้เราเกิดความโกรธ ด, ด้วย เวลาที่เราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจมีคนนั้นคนนี้มาเป็นอุปสรรคหรือมีเหตุการณ์อย่างนั้นเหตุนี้มาเป็นอุปสรรคก็จะทําให้เราเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้แล้วเราก็อาจจะไปจองเวจองกรรมไปสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นมาอีก แทนที่จะมีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นกันสุดชีวิตก็จะมีแต่ความวุ่นวาย ม, มีเรื่องมีปัญหากับคนนั้นกับคนนี้เสมอเพราะอํานาจของความอยากนี้มันจะพาให้เราไปหาเรื่องต่างๆเข้ามาเองแต่ถ้าเราอยู่อย่างมักน้อยสันโดษได้รับรองว่าเราจะไม่มีเรื่องกับใคร เราจะไม่มีปัญหากับใครเราจะไม่ไปทําผิดกฎผิดระเบียบไม่ทําไม่ไปทําผิดกฎหมายไม่ไปทําผิดสิ่งผิดธรรมนี่คือคุณธรรมที่สําคัญของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าสอนให้กับพุทธบอยสัตว์สี่ไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตหรือเป็นคาหัดคือผู้คองเรือก็ต้องมี ความมักน้อยสันโดษตามฐานะของตนของของนัก บ, บวชท่านก็สอนให้มีสมบัติเพียงแชิ้นเท่านั้นเองที่เรียกว่าอัตบบริขารเวลาจะบวชนี้ท่านบอกว่าให้มีสมบัติได้เพียงแชิ้นมีผ้าสามผืนมีบาท1หนึ่งใบมีมีดกรหนึ่งเล่มมีเข็มกับได้หนึ่งชุด มีที่กรองน้ำหนึ่งอันและมีประคตเอลคือเข็มขัดรัดเอลหนึ่งอันนี่คือสมบัติที่พอเพียงแล้วสำหรับนักบวชผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงภายในใจคิดดูก็แล้วกันว่ามักน้อยขนาดไหนแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วความจำเป็นของมนุษย์เหล่านี้มีไม่มากเลย แล้วทไมญาติโยมถึงจะต้องมีอะไรมากมายก่ายกองมีเสื้อผ้าเป็นตู้ตู้มีรองเท้าเป็นสิบสิบคู่มีบ้านราคาเป็นเป็นล้านเป็นสิบล้านมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นไปหรอกมันก็เหมือนกับคนที่อยู่อยู่แบบพระนี่แหละพระนี่อยู่โคนไม้ก็อยู่ได้อยู่ตามถ้ำก็อยู่ได้ หลบแดดหลบผลได้เหมือนกันไม่ได้เดือดร้อนเหมือนกันแต่กับมีความสุขมากกว่าเพราะมีจิตใจที่สงบเย็นสบายเพราะไม่มีกิเลสตัณหามาคอยก่อกวนมาคอยสร้างความปั่นป่วนให้กับใจจิตใจของเราที่ไม่สงบไม่เย็นไม่สบายก็เพราะว่ามัน ถูกกระแส er ของความโลภความโกรธความหลงความอยากนี้มากวนนั่นเองมาผลักดันให้อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่เชื่อญาติโยมลองทดสอบดูว่าลองนั่งเฉยๆดูสักสองสามชั่วโมงดูซิว่าไม่ทําอะไรเฉยๆจะได้ไหมอยู่เฉยๆนี่มันน่าจะมีความสุขมากกว่าคนต้องทํานั่นทํานี่นะทาไมอยู่เฉยๆกันไม่ได้ลองนั่งเฉยๆดูสิ ไม่ต้องส่วดมนต์ก็ได้ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องหลับตาก็ได้นั่งเก้าอี้สบายๆนั่งสักสาชั่วโมงไม่ต้องลุกไปไหนไม่ต้องทําอะไรดูดูซิว่าจะทําได้ไหมมันน่าจะสุขน่าจะสบายนะการอยู่เฉยๆนี่แต่เรากับนั่งกันไม่ได้ทํากันไม่ได้เพราะใจของเราจะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมา ท, าทันทีจะเกิดความรู้สึก เครียดบ้างเกิดความรู้สึกเหงาบ้างเกิดความรู้สึกว่าเว่ยบ้างเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างเหล่านี้เป็นผลเกิดจากการกระทําของกิเลสตัณหาท่นั้นเพราะเราไม่สามารถควบคุมใจของเราไม่สามารถควบคุมการทํางานของกิเลสตัณหาได้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้อง ส, สอนให้พวกเราคุมกิเลสให้ได้ ด้วยการนั่งทำสมาธิเพราะการทำสมาธินี้จะทำให้กิเลสนั้นสงบตัวลงกิเลส น, นี้ต้องอาศัยการทำงานของใจการทำงานของใจก็คือความคิดต่างๆนี่เองถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปในทางของกิเลสได้กิเลสก็จะไม่สามารถสร้างความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดี ภายในใจของเราได้เช่นถ้าเรานั่งบริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่างนี้กิเลส ก, ก็จะไม่สามารถหลอกให้เราไปอยากได้สิ่ง น, นั้นอยากได้สิ่ง น, นี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่หรือหลอกให้เราโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ได้เพราะว่าใจของเรามีแต่พุโทโธอยู่อย่างเดียวไม่สามารถที่จะ แวบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมใจของเราให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวได้เดี๋ยวมันก็จะแวบออกไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาคิดถึงคนนั้นก็เป็นห่วงคิดถึงคนนี้ก็ลำคาญคิดถึงคนนั้นก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็สร้างความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะพวกเราไม่รู้จักควบคุมใจของเราไม่รู้จักควบคุมความคิดของเราเหมือนคนที่ขับรถไม่เป็นขับรถไม่เป็นนี้ ถ, ถ้าไปขับรถแล้วรับรองว่ารถจะต้องไปชนคนนั้นชนคันหรือชนคนนี้ชนรถคันนั้นชนรถคนนี้หรือไปแหกโค้งตก เวไปเพราะขับรถไม่เป็นใจความคิดของเราก็ไปเหมือนรถถ้าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้ความคิดของเรานี่แหละที่จะพาให้เราไปทําสิ่งที่เราต้องมาเสียใจภายหลังพาให้เราไปทําผิดศีลผิดธรรมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาง เกิดจากการที่เราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้นี่เองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาคุมความคิดของเราด้วยการนั่งสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือถ้าเรายังไม่สามารถที่จะบริกรรมพุทโธได้ก็สอนให้เราสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปบทที่เราจําได้อย่าไปสวดแบบเปิดทั้งสืออ่าน ไม่ดีเท่ากับการจำบทสวดมนตน์แล้วก็สวดไปภายในใจถ้านั่งหลับตาได้ก็จะดีเพราะจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนการสวดมนต์ของเราถ้าเราลืมตาเดี๋ยวเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวใจของเราก็จะปไปเผลอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นตามสิ่งที่เราเห็นใจของเราก็จะไปคิดได้พอคิดได้เดี๋ยวกิเลสก็จะ เามาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ถ้าเราจะสวดมนต์ก็ขอให้เราสวดอยู่กับบทสวดมนต์อย่าให้มันเผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วใจของเราจะสงบเย็นสบายตามลำดับสวดไปได้นานเท่าไหร่ก็จะเกิดความเย็นมากขึ้นเกิดความสุขมากขึ้นเกิดความพอมากขึ้นเพราะกิเลสไม่ทำงาน ความรู้สึกว่าขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ความรู้สึกว่าจะต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่มีภายในใจใจก็จะสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้เป็นเวลาอันยาวนานถ้าเรารู้จักควบคุมความคิดข่งเราแต่เราต้องพยายามทำให้มากๆทำให้บ่อยๆถ้าเราทำได้ทั้งวันนี้จะยิ่งดีเพราะต่อไปมันจะ ทำให้เรานี้อยู่เฉยๆได้อยู่ติดบ้านไม่ต้องไปออกไปข้างนอกบ้านไม่ต้องไปหาความสุขจองปลองที่นอกบ้านความสุขที่มีแต่ความทุกข์แท้มาด้วยเราจะอยู่ในบ้านของเราเพราะเราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเราเองเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหุนวายใจ ไม่มีปัญหาต่างๆตามมานี่แหละคือเรื่องของการดูแลรักษาชีวิตจิตใจของเราหรือเรื่องของการสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ใจของเราด้วยการควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้ความคิดของเราไหลไปทางกระแส ข, ของความอยากของความโลภพยายามยึงกลับมา ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าคิดแล้วเราก็ต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้เช่นเราใช้ความมากน้อยสันโดษกระดาษเอาแม็กน้อยสันโดษมาแก้กระดาษถ้ากิเลสหลอกให้เราไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ๆมาใส่เราก็ถามว่าชุดที่เรามีอยู่นี้มันไม่พอใส่ด้วยอย่างไร ถ้าไม่พอก็ไปซื้อได้อย่างนี้ก็จะไม่เป็นความโลภแต่เป็นความจำเป็นแต่ถ้ามันมีอยู่ล้นตู้ใส่ยังไม่หมดเลยยังไม่ขาดเลยยังใส่ได้ยังใช้ได้อยู่เราก็ใส่ของเก่าไปก่อนอย่างนี้เราก็จะตัดความโลภได้ตัดปัญหาที่จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้นะขอให้เราพยายามปฏิบัติไปเถอ เมื่อความโลภมันน้อยลงไปความโกรธมันก็จะน้อยลงไปความวุ่นวายใจต่างๆก็จะน้อยลงไปความสุขความอิ่มความสบายใจก็จะมีมากขึ้นไปตามลําดับอยู่ที่ใจของเรานี้เองอยู่ที่การควบคุมความคิดอยู่ที่การควบคุมใจของเราด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราพยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเถอด เช่นมาทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อทำให้ใจมีสติมีปัญญาเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมักน้อยสันโดษได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดได้ไม่ได้เป็นสิ่งสุดวิสัยอยู่ที่ว่าเราจะมีความพยายามที่จะทำหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าเราทําแล้วมันก็จะไม่ยากถ้าเราไม่อยากทำํำเราขี้เกียจทําเราก็จะรู้สึกว่ายากมีคนที่เขาทํามาแล้วและได้ผลแลวคือพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็มีความโลภความโกรธความหลงมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจต่างๆเหมือนเราเพียงแต่ว่าท่านต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลง ท่านพยายามควบคุมใจพยายามควบคุมความคิดท่านพยายามอยู่อย่างมากน้อยสันโดษมาตามลําดับจนในที่สุดท่านก็สามารถควบคุมความคิดควบคุมใจของท่านได้ตลอดเวลาทําให้ท่านนี้ไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือผลที่พวกเราทุกคนจะได้รับเช่นเดียวกันถ้าเรา น้อมเอาปฏิปทาเอาแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินและนํามาสอนพวกเรานี้มาปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอวาฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบําเพ็ญมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิิตพิจารณาและปฏิบัติ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 จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธ